ธรรมบทแปลเรื่องพระเอกุธานะเทระภาคที่เจ็ดเรื่องที่หนึ่งรอยเก้าสิบหกพระาศาสดาเมื่อประทับอยู่นะพระเชตวันทรงพระรบพระขี่นาศพชื่อว่าเอกุธานะเทระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่านะ ตาวะตาธรรมะธโรยาวตาพระหุภาสติโยจะอปปัมปิสุ ต, ตวานะธรรมังกาเยนะปัสติสะเวธรรมะธโรหติโยธรรมังนับปะมัชติแปลว่าบุคคลไม่ชื่อว่าทรงธรรมเพราะเหตุที่พูดมากส่วนบุคคลใด ฟังแม่นิดหน่อยย่อมเห็นธรรมะด้วยนามกายบุคคลใดไม่ประมาทบุคคลนั้นแหลเป็นผู้ทรงธรรมตอนพวกเทวดาชมเทสนาของพระเทะและ้ยินว่าพระเทระนั้นอยู่ในราวพลายแห่งหนึ่งแต่องค์เดียวได้เปล่งอุทานที่ท่านช่ำจอง ซึ่งมีเพียงบทเดียวเท่านั้นเป็นคาถาคือคำกราบดังนี้ว่าความโศกทั้งหลายย่อมไม่มีแกบุคคลผู้มีจิตมั่นคงไม่ประมาทเป็นมุนีศึกษาในทางแห่งมุนีผู้คงที่ระ ง, งับแล้วมีสติทุกเมื่อดังนี้ได้ยินว่าในวันอุโบสถ ท่านเป่าร้องให้คนฟังธรรมะเองแล้วสวดคาทานี้เองเสียงกล่าวสาทุกการของเทวดาเป็นดุดเสียงแผ่นดินสุดครั้นวันอุโบสถวันหนึ่งภิกษุผู้ทรงพระไตปิดกสองรูปมีบริวารรูปละห้าร้อยรูปได้ไปเยี่ยมท่านถึงที่อยู่ ภิกษุเจ้าทินพอเห็นภิกษุเหล่านั้นเดินทางมาก็ดีใจกล่าวขึ้นว่าดีจริงที่พวกท่านมาถึงที่นี่วันนี้พวกเราจะฟังธรรมะจากท่านทั้งสองพวกภิกษุที่มายืนท่านผู้มีอายุที่นี่มีคนฟังธรรมะหรืท่านพระเอกูตานะมีขอรับในราวพรนี้จะมีเสียงเทวดากล่าวสาทุกการดังลั่นเป็นเสียงเดียวกันหมด ตอนพวกเทวดาไม่ให้สาธุการแกเทศนาของภิกษุสองรูปคนธรรมดาภิกษุสองรูปนั้นพระเถระผู้ทรงพระไตรปิฎกรูปหนึ่งสวดข้อธรรมะรูปหนึ่งกล่าวอธิบายธรรมะเทวดาก็ไม่ได้ให้สาธุการแม้แต่องค์เดียวภิกษุเหล่านั้นจึงพูดว่าท่านผู้มีอายุ ท่านกล่าวว่าในวันฟังธรรมพวกเทวดาในราบรายนี้กล่าวสาทุกการด้วยเสียงอันดังนี่เกิด อ, อะไรขึ้นพระอิกรตนะก็ในวันอื่นเป็นอย่างนั้นจริงๆครับแต่วันนี้กระผมไม่ทราบว่าทําไมถึงเป็นเช่นนี้พวกภิกษุเหล่านั้นท่านผู้มีอายุถ้าอย่างนั้นท่านจงแสดงธรรมดูซิ ท่านจึงถือพัดขึ้นนั่งบนอาสนะแล้วกล่าวคาถาที่กล่าวมานั่นแหละลเทวดาได้กล่าวสาธุการด้วยเสียงดังลั่นตอนพวกภิกษุตี่เตียนเทวดาคระนั้นภิกษุที่เป็นบริวารของพระเถระทั้งสองกล่าวตีเตียนว่าเทวดาในราวปรายนี้ กล่าวสาธุการโดยเห็นแก่หน้าก็เมื่อภิกษุผู้ทรงพระไตรปิฎกกล่าวทำขนาดนี้ก็ไม่ชมเพียงนิดเดียวเมื่อพระเถระแก่รูปหนึ่งกล่าวคาถาเดียวพากันให้สาธุการด้วยเสียงดังลั่นภิกษุเหล่านั้นเมื่อไปถึงวัดจึงได้กราบทูลความนั้นแด่พระาศาสดาตอนลักษณะ ผู้ทรงธรรมและไม่ทรงธรรมพระศาสดาจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เรียกผู้เรียนมากหรือแสดงธรรมได้มากว่าเป็นผู้ทรงธรรมส่วนผู้ใดเรียนได้เพียงคาถาเดียวแต่แทงตลอดสจัจจะทั้งหลายผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรมแต่นี้แล้ว จึงได้ตรัสคำที่เป็นกาดาว่าบุคคลไม่ชื่อว่าทรงธรรมเพราะเหตุเพียงพูดมากส่วนบุคคลใดฟังแม้นิดหน่อยแต่เห็นธรรมะด้วยนามกายทั้งไม่ประมาทธรรมะบุคคลนั้นแลชื่อว่าผู้ทรงธรรมบาลีว่านะตาวตาธรรมทโร ยาวตาพระหุภาสติโยจะอัปปัมปิสุตวานะธรรมังกาเยนะปัสติสะเวธรรมะทะโรโหติโยธรรมังนับปะมัชติก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่ายาวตาและว่าเพราะเหตุเพียงเป็นต้นนั้นหมายความว่า บุคคลไม่ชื่อว่าทรงธรรมเพราะเหตุเพียงพูดมากด้วยมีการเรียนการทรงจำการบอกสอนเป็นต้นได้ชื่อว่าผู้ตามรักษาวงรักษาประเพณีของศาสนาไว้เท่านั้นคำว่าอับปังปิแปลว่าแม้นิดหน่อยเป็นต้นนั้นหมายความว่า ส่วนผู้ใดฟังธรรมแม้เล็กน้อยอาศัยธรรมะอาศัยอัฏฐะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมกำหนดรู้สัจจะมีทุกเป็นต้นเห็นสัจธรรมสีด้วยนามกายผู้นั้นแลชื่อว่าผู้ทรงธรรมในข้อที่ว่าโยธรรมังนปะมัชชติแปลว่าทั้งไม่ประมาท ธ, ธรรม ข้อนี้หมายความว่าส่วนผู้ใดปรารกความเพียนหวังการแทงตลอดอยู่ว่าเราจะแทงตลอดในวันนี้ในวันนี้ชื่อว่าย่อมไม่ประมาท ธ, ธรรมะแม้ผู้นี้ก็ชื่อว่าผู้ทรงธรรมเหมือนกนันในเวลาจบเทศนาคนจำนวนมากได้บรรลุโซดาปฏิผลเป็นต้นแล้วแหละ เรื่องพระเอกรุธานะเทระ